การพูดธรรมะการฟังธรรม ะ, มะทุกคนเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการจะรักษาจิตใจของตัวนั้นในระยาชิกันอบรมเนี่ยสอนเรต้องสั่งใจกำหนดรักษาถือว่าการหนังฟังนั้นในนน้าที่การงานอะไรที่จะหยุ่งเกี่ยวถือว่าเป็นการภาวนาในตัว ในขณ น, นที่จ <c oughs> ิตปรุงอยู่เกี่ยวกับเรื่อง น, นอกเรื่องของกายจะเกิดเจ็บปวดเหนื่อยเหนื่อยหิวต่างๆเลยไปได้รับผลจากการหนังของตนการอารมของตนดังนั้นทุกคนจวงระวังรักษาจิตใจของตัวส่วนใจวาจาไม่มีอะไรที่จะไปทำไปพูด เหื่ออยู่แล้วรักษาใจใจภายในอย่าให้คิดติดของตัวเรื่องข้างนอกวัดธรรมะที่เนี้ยสอนโดยส่วนใหญ่ผมเห็นเนี้ยสอนไปจากกายจากใจของคนผู้สอนก็เอากายเอาใจมาสอนผู้ฟังก็เอากายเอาใจมาฟังอย่างกายใจนี้เป็นเรื่องสําคัญ เราท n มันหลงไหลในเรื่องของกายของใจจับอะไรเป็นอะไรกันเน่ต้องอาศัยการฝึกอบรมการจิตวิจัยนะยสติโดยปัญญาของตัวจรงใจทราบเรื่องของกายตามเป็นจริงของมันเรื่องของใจตามเป็นจริงของมันกายใจนั้นมันอาศัยกันแต่เราก็ยึด ถือว่าเป็นเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราความคิดความนึกเป็นเราหรือเป่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นเราเลเมาเอาหมดไม่เคยกหนดจินตใจนะแยกจากกันเมือนเป็นอย่างนั้นกัความหลงไหลก็หลงไหลเรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นทางกายกัถือว่าเราเป็น คิดนึกไปต่างๆหรือว่าเรานึกเราคิดมีความหลุมหลงของคนทั่วไปหลุมหลงอยู่อย่างนั้นผู้ที่ฝึกปฏิบัติใจของทาง่านไงทางภาวานาถานจริงกําหนดเรื่องของกายให้แยกกายออกไปตามทาง ที่พระพุทธเจ้าขนงสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่คือให้พิจารณาใจนาาในใจของตัวว่ามันใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาทางทั่วให้ขอใจอย่างนั้นเพราะใจอันนี้ที่เราสมมติกันว่าใจเขาเองก็ไม่ทราบ เราสมมติให้เขาถูกต้องหรือไม่เขาไม่เคยต่อว่าต่อขานอย่สมมุติเป็นอะไรเขาก็เป็นศี้สาคนสมมติหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเขาไม่เคยหลุ่มหลงเถิดเชิญไปตามจิตตามใจที่หลุมหลงกับเขาหน้าี่จะแก้จะเท่า จะปวยจะเป็นม kh ันตกเป็นไปตามหน้าที่ของเขาดี๋ยวเขาก็ไม่เคยคิดนึกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่เคยห่วงเคยห่วงว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีไม่งามมันไม่เคยถึงเคยห่วงมันเป็นไปตามเรื่องของมันีนี่คือเรื่องของการ เรื่องของถาดของขันจี่ใจนา <c oughs> ให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงของมันอย่ากายนี้หนักขีของมันเป็นอย่างนี้ให้สะาดดีในจิต ใ, ในใจอย่าไปยึดว่ากายเป็นเราเราเป็นกายผูกไปเห็นไปนรู้เรื่องของกายนั้นให้แยกออกจากเรื่องของกาย แยกออกนั้นถ้าหาจิตของเราไม่ละเอียดในเห็นจริงมันก็แยกไม่ออกได้ที่มันแยกออกได้ต้องจิตละเอียดจิตเป็นเองของมันมันเห็นเรื่องของกายเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้เมื่อกายมันสมรุ้สุดโทมไปมีการป่วยไข้มีการาาแก่สลายถ้าหาจิต เห็นเรลืองของกายตามเป็นจริงของมันก็เหมือนกันกับบ้านของเราถูกไฟไหม้หรือถูกทางลงไปแต่ตัวของเรานั้นไม่ใช่บ้านบ้านไม่ใช่เราเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเราเมันมีความเจ้าอกเจ้าใจอะไรกันพะเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นมันแตกปวนมันแตกสลายการหนาที่ของมัน ที่มันจะอยู่นานาาาดรราได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยคือกรรมมังวงเอาไว้ที่มันพังไปง่ายเพราะอาศัยปัจจัยคือกรรมชั่วเสียถูกตัดรอนให้มันพังมันทลายง่ายกิจนาทางธรรมนะกเจนาหเหยียดคายลงไปอย่างนั้นเรียกว่าเรามีสติอยู่ในใจ เจรณากายเป็นเรื่องของกายม่ใช่ยิ้มไม่ใช่ใจม่สัตว์ไม่ใชบุคคลผู้มารู้มาเห็นเป็นอีกอันหนึ่งสิ่งที่เรียกว่ากายเป็นอีกอันหนึ่งนี่คือทางที่เจรณาาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้นักภาวานากาหนดเจา เบธนาความสุขทุกเฉยๆนี่ก็มีอยู่ทุกระยะเรื่องแต่เราจะมีสติกำหนดดูแลหรือไม่แต่ความจริงจริงเหล่านี้มีอยู่ทุกระยะทุกเวลาไหนว่าเราจะอยู่อิริยาบถใดความสุขความทุกเฉยๆนั้นมันมีแต่มันเปลี่ยนระดีกันบางทีทุกเกิดสุขมันก็หายไปสุขเกิดทุกมันก็หายไป เลยละไม่ทุกไม่สุขเฉยๆมันก็เกิดมันมีอยู่อย่างนี้อยียกว่าเวทนาเวทนานี้ก็อาศัยกายอาศัยจิตแต่นี้แต่กายทายเดียวเวทนามันก็ไม่เกิดขึ้นนี่แต่จิตทายเดียวเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันกับเสียงสองอาศัยมีสองอย่างกระทบกันเสียงจึงเกิดขึ้นแต่นี้อย่างเดียวเหมือนเราตบมือข้างเดียว เสียงดังมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเอารับกันล่ะเสียงดังมันมันเกิดขึ้นเสียงนั้นเหมือนกันกบเวชนาในีนจิตในกายอยู่เวทนาจะต้องมีในสุกขกว่าทุกไม่อย่างนั้นก็เฉยเฉยมันมีอยู่อย่างนี้แต่เวทนานี้ก็เป็นแต่ตัดเวทนาไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าตัดมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไร สัตว์ผดมันพูดในรูปภาษาในส่วนใจภาษาของมันมันก็มีเหมือนกันกับมนุษย์เราอยู่าหเวทานาแต่เวทานานั้นโดยส่วนใหญ่ทุกในว่าคนว่าสัตว์นปราเถนาชอบสุขยินดีในสุขอยากให้สุขอยากจะให้สบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะสอนสอ น, อสอนอความจริง ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เลื่อยเฉยเกิดขึ้นมันต้องแย่ไปเปลี่ยนไปดับไปตามหน้าที่ของมันไม่ใช่ว่ามันจะคงทนอยู่เรื่อยไปมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่เห็นตามเป็นจริงจึงเกิดความดีใจเสียใจในสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้อินโนอีนเนอะไร ที่เราไปหลงไหลรักมันชอบมันหรือไปเหยียดมัน <c oughs> มันก็เป็นอิจฉาใจนี่คือเวทนามันมีอยู่ทุกลูกทุกนามคนจ ะ, ะต้อพึ่งปฏิบัติตามอัตตามธรรมก่อตามคนที่จะไม่รตรองพึ่งปฏิบัติอะไรกว่าตามเวทนานั้นนีอยู่โดยกันทุกข์ทุกขน่ะแต่เกิดมาแล้วเวทนาตรงมี <c oughs> มีกายมีจิต คือการคิพิจารณาเรื่องเบทนาเรียกว่าพิจาราสติปัจฉานนอกจากนั้นพิจารณาจิตความนึกคิดนึกคิดอย่างนั้นนึกคิดอย่างนี้บางทีก็ไปในทรั้งชั่วที่นักหลาทั่วไปตําหนิมินพาคือจิตไปทางทีเหลือตัณหาทางงั้งโลกทั้งโกรธท้งหลง บางทีเราคิดไปในทางดีทางสุจริตบางทีเราคิดไปในเนี่ยทิจะแก้ไขจิตใจท่องตนให้ปวดทุกข์มันคิดไปได้ทุกเนี่ยทุกมุมเรื่องของจิตจิตนี้ก็แต่จว่าจิตคือนื้คิดเท่านั้นจิตดีจิตชั่วจิตผิดจิตถูก เป็นเลือนของจิตมันคิดได้ฟงได้แต่เราก็คอยดีใจเสียใจในความคิดของตัวเพราะสติปัญญาของเราไม่เข้าใจเรื่องความนึกคิดว่ามันเป็นตัวของตัวถ้าเราเข้าใจว่าความนึกคิดนี้ก่อเพียงกแต่ความนึกคิด เร e, องแต่จิตปุงทางสติปัฏฐานท่านเรียกว่าจิตาหากปวดชึ้งยืงคล้องขันท่านเรียกว่าสังขารความปุงจิตแล้วแจ่จะสมมุติมันจะว่าอะไรนั้นมันก็ไม่ดีใจเสียใจนี่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งนักบวชทั้งลราวาทํในจิต เรียกว่าจิตตาวิปัสสนา <c oughs> คือ <c oughs> ที่เะรดญนาจิตตามสี่ปัจฐานนอกจากนั้นทาคือความดีชั่วเรียกติคุณทำอกุศลทาหรือความเป็นกลาง <c oughs> เรียกว่าอภัยจิตทมแล้วก็คิดไปได้ พิจัยนาไปได้สติปัฏฐานทั้งสี่นะครับแยกออกไปมันเป็นอย่างนั้นรวมแล้วก็คือกายคือใจของเราแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่อื่นผู้ที่กาห น, นดอยู่นี้พิจัยนาเห็นรู้ให้คอยใจตามเป็นจริงของมันนั่นแ่ละเจริญสติปัฏฐานคือพิจัยนาคิดอ่านเรื่องของกายของใจ ให้รู้ให้ปล่อยใจให้ไปจับอย่าไปยึดทั้งชั่วทั้งดีให้ทราบตามเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางในสิ่งอันนั้นตามเป็นจริงของมันอย่าให้จิตไปยึดไปถือไปแดกไปหามถ้าฝึกปฏิบัติมันจะเห็นเองความจิตคล่องละถอนของจิตเคยยึดเคยถือเคย สำคัญเหมือนไหมแต่มาพิจเจนะในธรรมะอยาบคายลงไปมันจะถอดจะถอนเรื่องความยึดถือดังนั้นพอเห็นตามเป็นจริงของมันผู้ที่ที่นี่พิจัยนาในสติปัฏฐานทั้งสี่ต่างหาต่ า, ตางชากําำหนดรักษาดูแลเรื่องของจิตในจิตไปทางนอกจากสตะิปัฏฐาน <c oughs> เบื่อในการพี่เจนะตายก่อนมากำหนดที่เจนาเวทนาทีจนะจิ ต, ต, ตที่เจนะทำเบืออันหนึ่งมาที่เจนาอันหนึ่งวกไปวนมาพิ่เจนาอยู่ในสติตะฐานไม่เหยออกไปทางนอกคนนั้นถ้าพู้ท้เจ้ารับรองว่าอย่างช้าที่สุด ไม่เลยเจ็ดปีจะมีสติเป็นสองคือจะเป็นโซดาคือจะเป็นเอพระอนาคากับพระอรหันต์โซดาแต่จิตตาการนั้นท่านไม่พูดคือมันต่ําเกินไปจะต้องเป็นพระอนาคากับพระอรหันต์อย่างช้าที่สุดเพียงเจ็ดปีเท่านั้นแต่บางท่านบางคนไม่ถึงเจ็ดปี หกปีห้าปจนเจ็ดเยียนเจดวันจะเป็นไปได้นี่พวกเราท่านเคยพิจายนากันแต่มันไม่จิตต่อให้โดยส่วนใหญ่พอกํกำหนดนิดนิดเลยหน่อยแล้วก็ออกไปคิดสูุงอันใหม่สติปัญญาไม่มีจีตจะกำหนดพิจารนาในตายในเรียนนาในจิตในธรรม ปล่อยให้เที่ยวไปตามความอยากของใจ ท, งทั้งทจเป็นนักบวชกว็เหมือนกันเหตุนั้นคุณค่าสาระของอดของธรรมจึงไม่เกิดขึ้นถึงบวชมาระยะยาวนานก่อตา้ถถาคุมรักษาเอาไว้ติดต่อกันไปมันก็เป็นไปได้ยิ่งเรียดันหาหนาไหนมันจะมาหยั่วูจิตใจ ให้ลุ่มหลงถ้าพเจารณาตามธรรมะมันในนี่ทางที่จะเข้าได้เพราะธรรมะรักษาเอาไว้จิตนี่จะิจิตมีปัญญาอะไรผ่านมาทราบมันแวบออกไปจากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมทาบรักษาเอาไว้ไม่เห็นมันแวบออกไป ใจอยู่ในวงของอาจของทำจริงจังเนี่ยนอนอย่างนั้นความรู้ที่เป็นอาจเป็นธรรมจะเกิดขึ้นว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อจิตไม่ยึดถือกายเวทนาจิตทำแล้วมันจะเป็นอย่างไรเราก็พอทราบได้ว่ามัน ใน ม, มีอะไรในโลกอันนี้ที่จะทำให้จิตหลงไหลทำให้จิตคล่องจิตในสิ่งถวกไปพอเรื่องของใจหรือเวทนานี้เป็นปัญหาใหญ่ <c oughs> ทุกคนลุ่มหลงกันเรืองยัดอยางพอเราเอเคยเห็นของละเอียด เป็นใตคของหยาบหยาบมันก็จิตใจคล้องยาบหยาบกายนี่มันค้องาหยากอ่ากที่เจนากายค้องตัวหยาบหยาบนี้ขวดถึงจริงจังแล้วก็สิ่งภายนอกถึงเป็นรูปเหมือนกันมั่นก็เหมือนกันหมดกายของเรามันมีหน้าที่แต่ปวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรรูปอื่นสัตว์อื่นคนอื่น ในอดีตอ น, นาคตมันก็เหมือนเรากำหนดอยู่ในปัจจุบันนันไม่มีอะไรกันที่จะทำให้ลุ่มหลงเพราะปัจจุบันเห็นไปจากอยู่อย่างนั้นมันแตะวนไปอย่างไรเราจิตคล้องในรูปของเรากอจิตคล้องสิ่งของวัตถุต่างๆเลื่อยไปเมื่อเราข้าใจรูปของเรากายของเราแยบคลายเท่าจนใจปล่อยเรื่องของกาย เห็นเป็นตามสภาพของมันแล้วสิ่งอื่นทั่วไปนั้นในต้องไปละไป้ถอนมันมันเข้าใจเพราะมันเป็นรูปเหมือนกันมันจริงไม่มีอะไรติดอย่างสงสัยีการที่จเจริญนะตามสติปัจฐานมีคุณค่าอย่างนั้นความทุกข์เฉยๆอย่างเวท น, นานั้นก็ทํา น, นองเยาะกัน ถ้าหากมันไม่มีการสลายตัวมันไปเราเคยทุกข์หนัหนกๆก็เคยทุกข์มาถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีการสลายไปเป็นอย่างไรยังคงอยู่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ตายไปนานแล้เพราะมันเวลามันทุกข์มากๆ น, น้อจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนอยู่ยี่ยวดใดมันทุกข์อยู่ตลอดเยลานจะรับทานมันก็รับทานไมได้จะหลับนอนมันก็ไม่หลับเพอพราะทุกข์แต่มันดับไปมันเกิดเล้อมันดับไปสุขก็เหมือนกันบางที่มันสุขโอจริงจริงจังจ ง, จ ง, จงมันเคยไปรบพวกที่ไนเคยภาวานาะอยู่ในทางโลก ก็เคยลุ่มหลงเพิดเพินสุขพักเรื่องของโลกมันก็เคยประสบมาแก่ริงเหล่านั้นมันก็หมดไปหายไปทั้งมันผู้ที่จะพึ่งปฏิบัติตามอัตธรรมภาวานานั้นก็เคยประสบพบเห็นอีกเหมือนกันความสุขความสงบของใจสุขอย่างไรนั้นผู้เห็นจะทราบ จะเข้าใจในตัวเองแต่สิ่งเหล่านั้นมันตั้งมั่นหรือไม่หรือมันเกิดแล้วมันแตกพวนและแจกสลายไปนั่นตัวเทราบได้ว่าอะไรทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นจะต้องมีการแตกพวนและแตกสลายหน้าที่พวกมันเป็นอยู่อย่างนะั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านมันไปยึดมาสุขก็อยากจะให้สุขอยู่ตลอดกานตลอดเยื่อหลังกายก็อยาก ใจมันหนุ่มมันสาวอยู่อย่างนั้นไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนมันปาถนะอย่างนั้นปาถนะสิ่งที่มันไม่มีปาถนะสิ่งที่มันเป็นไปไหนได้ะจะปาถนะเท่าไหร่ก็ปาถนะไปผิดหวังอยู่ตลอดชีวิตความผิดหวังนั่นแหละทำให้จิตของเราเศร้าหมองทำให้จิตของเราเดือดร้อนเป็นทุกข์พอมันเหมนสมปาถนะให้ มันสาเหื่นความจริงมันจริงเป็นอย่างนั้นการที่เจนะอบรมธรรมะปฏิบัติใจของตัวนั้นเพื่อให้เห็นยิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเมื่อเห็นเมื่อเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงมันจะไม่มีทางสงสัยมันจะละจะถอนจะปล่อยจะวางความยึดถือที่เคยฝัง ในจิตในใจของตัวมานี่คือการภาวนาการละถอนหลองจิเลสถึงเคยของจิตคิดและทุกคนมีหน้าที่ที่จะฝึกจะอบรมไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบได้เพราะโลกอันนี้มันมีอยู่ในว่าตังแต่จริง ทางนอกมาอยู่อายุในตัวของเรามันก็อยู่อายุอยู่เลือดเป็นอยู่เลือดเพราะกายมันมีอยู่นี้ใจมันมีอยู่นี้มันหลงอันนี้จึงจําเป็นต้องพิจัยนะนี่คือการศึกษาธรรมะการภาวนาละทีิเลในนี้อยู่ที่อื่นทุกคนมีกายมีใจที่จะ ประพติประจีแบบที่จะรักษาละถอนสิ่งที่ชั่วเสียต่งางๆไม่ใช่ว่าจะไปหาสี่นู้นก่อนที่นี้ก่อนเพราะทำเดี๋ยวนี้ไหนมีรูปประทำนามธรรมมันนี้สิ่งที่เป็นรูปมันก็มีอยู่ในเราสิ่งที่เป็นนามสิ่งเดชนาสัญญาสั้งขานวิญญาณมันก็มีอยู่ในเราตัวพวกเราจึงครอบทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องของธรรมในบารุปไปทำนามธรรมถ้าพิจาราลงไปในนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่าเอายืลนสัณหาเป็นศาสดาให้เอาธรรมะเอาของจริงอริยสัจโขาสัดจริงจิตมันจะเห็นไม่ตื่นเต้นเย็นสบายเพราะมันไม่หลง รูปกายเลยหลงนามมาทำสิ่งเหลนะ่านั้นมันเป็นอย่างไรสู่ไปรู้ไปเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นการจิตของเราฝึกอบรมปฏิบัติแยกออกจากรูปจากนามส่วนนั้นได้คือเข้าใจในตัวของตัวเองแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาพอเพื่อปฏิบัติ เห็นรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ทราบมันจริงหรือมีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการปฏิบัติทุกคนมุง่งความสุขความสงบแต่ในใจเราจะไปหาที่ไหนความสงบภายนอกมันพอหาได้แต่ความสงบภายในไม่รู้จัก่ะปฏิบัตริรักษาตัวเอง ถึงข้างนอกจะสงบขนาดไหนแต่ข้างในมันไม่สงบให้มันก็ไม่มีคุณค่าะะอะไรต้องให้สงบข้างในคือจิตใจสงบรูบ้เห็นตามเป็นเพียงในอัดในธรรมส่วนข้างนอกนั้นมันบังคับอัญชาในไดน้เราไม่ชอบเขาชอบมันก็ ฮเรื่องมาให้ในสงบได้เพราะรู้เสียงมันมีอยู่ในโลกแต่ไหนจะไรมาเขาชอบโทปรารถนาเขากหามาเล่นมาดูกันแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีธรร ม, มะเพราะกระทบสิ่งเหล่านั้นเราก็เกิดเดือดร้อนถ้าสิ่งที่เราชอบเรายินดีเราก็สุขกว่าสบายถ้าสิ่ง ที่เราไม่ชอบไม่ยินดีแล้วก็ทุกข์ร้อนในจิตในใจของเรานี่คือจิตคือใจภายในมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงความชอบกว่าดีความไม่ชอบกว่าดีมันเป็นสองฝั่งทางต่างทางมันไหนเดินอยู่ดีๆสบายๆมันมันในเอายิงไปหาสิ่งนนะยิงไปหาสิ่งนี้ ความสงบมันจึงไม่มีการรู้จับรักษาความสงบของตัวอารมณ์สัญญาต่างๆน้นาที่มันเกิดขึ้นผ่านมาอยาวุฒิไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันสิ่งเหล่านี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราอยู่เฉยในความสงบแล้วก็ดู สิ่งที่มันปรงจิตต่างเจริญใจดูอย่าไปเป็นคนเล่นมันจะต้องเห็นถ้าไปเล่นกับมันแหลวมันทุกข์นี่คือจิตของผู้บวเพื่อปฏิบัติถันนิ่งได้ทั้งทั้งที่รูปเสียงเรื่องนอกมันมีท่านก็นิ่งได้ทำไปไปยุ่งเกี่ยว ไปหลุมหลงกับเรื่องเหล่านั้นพยายามฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันสงบอยู่ตลอดเดวลาให้ต้องมีการออกการเข้าให้มันบริสุทธิ์อย่าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับสิ่งต่างๆความจริงมันเป็นอย่างไรให้เห็นจริงในจิตนั้นใชอย่าไปกั่นกางหักห้ อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ท่านท่านจริงเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นเราจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรามันจริงเกิดลําบากเกิดทุกเกิดโทษให้ที่ใจนาเรื่องของกายของใจนั้นมันมีเดียวกันทุกคนไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมันมี กำหนดดูอยู่นั้นเมื่อจิตม่หลงกายในหลงตัวของตัวไมหลงจิตของตัวแล้วมันสุขมันสงบอย่างไรนั้นไม่ต้องไปถามถึงตัวข้องตัวจะสะอาดเองทำส ง, งบความสุขที่เราเคยหลุมหลงจิตขล่องมาก่อนแต่ความถอดความถอนความรู้ตามเป็นจริง ในสิ่งต่างๆแล้วจิตปล่อยวางอยู่สงบนั้นมันมีคุณค่าสราะต่างกันอย่างไรผู้ผปฏิบัติตจะทราบจะเข้าใจทไหมที่ใจนาภายในอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะแก้ไขไม่มีทางที่จะสงบได้ไปนน้นก็เป็นอย่างนั้นไปนั้นก็เป็นอย่างนี้เพราะจิตของเราเองไปยุ่งเกี่ยวไปสมมติไปถูกพัน ไปยึดถือหาทราบเรื่องของตัวตามเป็นจริงแล้วสิ่งภายนอกมันเป็นอย่างไรนั้นเราไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเราไปชอบกับมันไป ต, ตำหนิมันมันเกิดในรักความดีความรเจ็าอะไรจากการ ไปชมไปตําหนิมันก็จะทราบอีกเนอะมันทราบทุก อ, อย่างอย่างนั้นมันก็เป็นได้ข้องแล้วไปยึดถือพยายามที่จะพิจากําหนดรักษาโอกาสเวลาที่จะฝึกอบรมได้ก็เมือ่อเรายังไม่ตายคือตายกับจิตมันอยู่ด้วยกันเมื่อตายไปแล้วถึงกายมันจะมีอยู่ทุกสิ่นทุกส่วน ไม่ว่าแจ่งข้าตาหูอะไรนี่อยู่แต่สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรไม่ได้และมันก็ไปโจดใครไปชอบใครไปสิ่งไว้ที่ไหนจะหนาวขนาดไหนในหาสาหมไปให้มันก็ไม่เท่บนนี่คือจิตมันอยู่ในกา้าคนตายจะร้อนขนาดไหนสิ่งใส่ใมันก็ไม่ใช่บน สังดินไว้เรน่องตไหนคอึดอัดหายใจไม่ได้นั่นก็ไม า, า, าไมว่านี่คือเรื่องคนตายหมดคุณค่าจะทําบุญทําบาปตัวไม่ได้จะทําดีทําชั่วอะไรไม่เป็นไหนบอกคนตายสัตว์ตายมันเป็นอย่างนั้นมันหมดคุณค่าแต่คนตายนั้นเลยมีคุณค่ า, า, า, าถ้าสับตายสัตว์ตายแต่เป็นวัวเป็นควายหนังมันกว่าขายได้ เขามันก็ขายได้ก็ดูกเนื้อมันก็ขายได้แต่คนตายนี้ไม่มีใครนียอมชมชอบกันมีแจะเอาไปเผาไปสังเท่านั้นคุณค่าในนี้แต่เหมื่อนยังมีชีวิตอยู่ไม่มีอะไรที่จะมีมีคุณค่าเนื้อคนคนมีคุณค่ามากสามาที่จะสร้าง อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้และสามารถที่จะล่าย บ, บําเพนความสุขความดีในกายในใจของตัวได้สามารถเป็นที่ตั้งของมรกของผลได้สัตว์ถึงหนังเขามันจะมีราคาเนื้อมันจะมีราคาแต่สันเหล่านั้นไม่สามารถที่จะชำระจิตใจของเขาให้บริสุทธิ์ เป็นอภัพษัตร์พระพุทธเจ้าจะมาตรัสู้แนะสอนถนาดไหนสันเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะได้มักผลให้แต่มนุษย์นี่เป็นพระพสัตชานาตั้งใจตั้งจิตปฏิบัติจริงจังตามธรรมะของพระพุทธเจา้าที่นีติเจนนะท่านทัสีปัญญา <c oughs> บางครับกายวาจายใจของตัวให้อยู่ในขอบเขต ของทำน่ะที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ชั่วที่ผิดต่างๆท่านหักห้ามก็ระวังอย่าไปแสบต้องไปทำสิ่งที่ท่านว่าเกิดประโยชน์ถ้าทำไปก็พยายามบังเับกายบารรเทาใจของตัวทรรักษาอารมณ์ทัญญาต่างๆ ที่เป็นผิดเป็นภัยในเกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วตอนจัดขับไล่ไปนี่คือการปฏิบัติตามธรรมะของผู้ได้จ้าผู้ปฏิบัติอย่างนั้นกว่าสามารถที่จะรู้เห็นในมักในผลถ้าจรงเกี่ยวกับทัพพระสัตว์เื่อจับสิ่ว้อมตัดสรู้กว่ามีมักมีผลขึ้นในผิดในใจของตนผิดกันกับสัตว์ จัดอื่นไม่มีทา่าพระพุทธเจ้าจึงสอนมนุษย์เป็นสำคัญตักของพระ อ, องค์ก็เป็นมนุษย์แล้วก็มาสอนมนุษย์ที่ลุมหลงจิตขล่องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสอนก็ไม่เอาอะไรมาสอนเอาสิ่งที่มันเป็นจริงในพระไทของพระ อ, องค์ตอนจู่ยัง ไม่เด็บำเพ็ญธรรมะไม่มีตปธรรมเผาเกลียดปัญหาถ้าองค์เองก็เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญสตปธรรมแผดเผาเกลเยดด้วยสติด้วยปัญญาที่นี้พี่แจนะอย่างนั้นอย่างนั้นความปล่อยวางถอดถอนท่องใจเป็นอย่างไรถ้าองค์พอเอาอันนั้นมาขอนพวกเราไม่ได้เอามาจาก ที่อื่นแต่อนั้นคําสอนของพระองค์จึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าหากสัตว์ยังมีอยู่คนยังมีอยู่โลกยังมีอยู่คําสอนก็ยังมีอยู่แต่คนนั้นจะฉลาดนําคําสอนมาชาระกายวิจารใจของตัวสีชั่วสิเน่าสี่เนีนออกไปนั้นแล้วแต่ ผู้ฉลาดจะนำมาประดับชำละถ้าไม่ฉลาดคำสอนจะมีอยู่ก็ไม่เกิดคุณค่าสาระให้พอไม่ฉลาดความจริงมันมีธรรมะจะอาศัยความฉลาดของบุคคลที่จะนำมาสึกฝนปฏิบัติตัวถ้าไม่ฉลาด ถึงสิ่งนั้นมันจะมีอยู่ขนาดไหนมันก็ใช้ประโยชน์ในไดน้เหมือนกันกับไม้มันมีอยู่เต็มลงเต็มป่าแต่ไม่สราดที่จะนำมาปลูกบ้านปูกเรือนมันก็อยู่ในป่าลมพัดใบอย่างนั้นนี่ละฝนตกแดดออกจะพึ่งพรางอาศัยให้ฉุกใหกส บ, บายมันก็เพิ่งพรางอาศัยในได้เพราะเราไม่เลย嘛ทา แต่รูปมาทำเป็นบ่านเป็นเดือนให้นี่ธรรมะนี่อยู่ในโลกก็ทำนองเดียวกันรูปมาทำนามธรรมาแต่เราไม่นำมาสอนใจของเราที่เจนาแก่ไขให้ใจเห็นจริงมันจึงไม่เกิดประโยชน์ให้เขาปูดอะไรหรือเห็นอะไรตกพอ้อยใจจะหลงจะเชื่อในในสิ่งเหล่า น, นั้นถ้าเราฉลาด นำสิงเหล่านั้นมากำหนดที่เจ้านะจากการล่าการถอนในความยึดความถือของตนจนจิตใจเห็นจริงไม่กอบก่อยวางไว้ได้ถึงรูปเสียงเรื่องราวของโลกจะมีอยู่ผ่านก็บแม่งของจิตถ้าหากผ่านรู้ผ่านเห็นในอาจไในทำจริงจังเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกันกบใบบัวที่มันอยู่ในน้ำมันก็ไม่ได้เบียก สุ่มไปเด่นนะตกหยดยาดลงมาข้างมันก็ไหลหี้นี่จิตใจของภ า, าวิยาเจ้าผู้ฝึกปฏิบัติจริงจังท่านมีความสงบเย็นอย่างนั้นท่านจึงนำมาสอนพวกเราท่านที่ลุ่มหลงในเรีบกงต่อพฤ่ิบัติเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนในสาบตร์ว่าวานันได คืนใดเดือนใดทีใดมันจะหลุดล่วงไปถ้าไม่รีบเกิทำคุณงามความดีเอาไว้ในางใจก็คือปฏิบัติมันก็หลุ่มหลงเรื่อยไปชาติใหม่จะเกิดเป็นอะไรก็สงสัยเพราะใจนี่สว่างสวายใจนใี่เห็นไี่รู้แต่ใจเห็นใจรู้มันก็จ่มีความสงสัยอะไรจากนี้ไปจะไปไหนเราลูจ th th ลูจกคิดทางอยู่แล้วเราก็ไปถูก ถ้าเราไม่รู้จักอลากจะไปชิดใดทางใดมันกดตรงสรงสัยตรงทามคนอื่นและหนักใจไม่ทราบว่าจะไปอย่างไรจรึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่ <c oughs> คือคนไม่รู้จักทางคนเมืดคนบอดหลาคนมีตาสว่างสบายรู้จักทางจะไปที่ไหนกําลังขสงสายจึงจะพอไปได้ก็ <c oughs> ไปถูก เป็หมายปายทางใหง้มีการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ใจของเรารู้จักสิ่งที่ผิดถูกดีชั่วพบชาติที่จะไปหมายถึงพูดดยังคล่องจิอยู่ในวัดจักรยังออกจากวัดจักรไม่ได้ถ้าออกจากวัดจัรได้นันคงมีปัญหาอะไรที่จะสงสัยจะไปที่ไหน <c oughs> พบชาติจะมีหรือไม่ พอมันบอกเสร็จอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในใจของตัวจึงไงมีข้อสงสัยจะไปไต่ถามคนอื่นมีการปฏิบัติธรรมะมันรู้ภายในถึงจะไม่มีความรู้ภายนอกก่อต า, ามภายในมันรู้มันรู้อยู่เฉพาะในจิตในใจของผูง้ประพฤติปฏิบัติ ถึงจะไหนรู้ไหมมีประกาศนียแบบัตรเหมือนทางโลกก่าตามแต่ความสุขความสบายความรักความถอนองคันท่ า, า, านทราบท่านคอยใจความสุขอะไรที่จะลิเศษยิ่งต่อการละชีเลตันหาไม่มีความสงบของใจนั้นมันสงบได้ เมื่อมันถึงความสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงของมันขันจึงเหรอนัตชิสันชิพลังสุขขังสุขยิ่งกว่าความสงบแบนี้ความสุขอื่นจะยิ่งกว่าความสงบคือในจิตข้องในตื่นเต้นในสิ่งใดๆสงบอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีอะไร ที่สงสัยแบบควรละควรมําเเพนเพราะได้แต่ทำมาทุกอย่างจนถึงที่สุดคือวีมุตความพ้นจากโลกไปแล้วนี่เป็นนักขี่สันติกำลังถูกหงังคือสุขยิ่งสุกประเสริฐไม่มีสุขอะไรที่จะเทียมถึงแต่ความสงบอย่างนั้น ถ้าจิตไม่สงบโลกอันนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้รูปเสียงจินรสหนาวอ้อนต่งางงมันจะสงบมาจากที่ไหนถ้าจิตไม่สงบจิตสงบสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่จิตไม่จิตข้องใน่ยึดถือศาสตตามเป็นจิงของมันนั่นถ ắ นจริงหรืนัตสิสันติ คือส ง, งบจริงส ง, งบตงแตงแค่เพียงจิตของตัวไม่มีดีนี้ชั่วในนี้จิตนี้ข้อนไม่มีลุ่มนี้หลงกับอะไรเพียงเท่านี้สิ่งอื่นมันจะเป็นอย่างไรนั้นทราบตามเป็นจริงของมันแล้วจิตไม่หวันไหวจิตไม่ยึดเสี่ยวในสิ่ง ต่างๆเรียกว่าสานติเชื่อสงบทุกระยะทุกเวลาในมีการออกการเข้าอยู่ก่อสงบตไยก็สงบเนี่ยแต่ตายก็ยังสงบทุกมันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็ทราบว่าเรื่องของทุกเป็นเวทนาในสายความบริสุทธิ์ของใจในสายความสงบ สีวานัท์ขีทันติความสงบนั้นขีทันติเป็นอย่างไรใจของท่านขี่บริสุทธินั้นเวทานาจะเป็นเรื่องของเวทานาความบริสุทธินั้นจะไม่มีเวทานาหน้าไหนมาเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์นั้ น, นไม่มีทางสงสัยว่าทําไมจิตใจของเราจรึงเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดเวทานาทุกข์โศกขึ้นมา นันเลยมีท า, างสงสัยความสงบความบริสุทธิ์นั่นเป็นอย่างไรท่านประทับในจิตในใจทัองท่านนี่คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติเมือ่อชำระจิตใจถึงความบริสุทธิ์อย่างนั้นจริงหรือเล่ะเป็นผูดถึงความสุขอันแน่นอน แผ่จริงอะมีความสุขอื่นจะยิ่งไปกว่าจะอยู่ไปจีแสนจีก็ไม่มีความสุขหน้าไหนจะมีมาอีกตายไปในวันนี้ก็ไม่มีความทุกข์ความเสียหายอะไรที่จะเข้ามาทับผมความบริสุทธินั้นนี่คือาการปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนกาหนด สติปัฏฐานคือกายเวยทนะจิตธรรมจะเข้าไปถึงความเป็นจริงคือความบริสุทธิ์สงบตลอดการตลอดเวลาถ้าเรารักษาเราก็บพึ่งปฏิบัติได้มันเห็นอันนี้สองอย่างนั้นอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวไปติดไปค้องไปเพลิไปเพลินจนลืมวันลืมเวลา ล, ลืมชีวิตของตัว เมสิ่งที่เรายึดถือเกี่ยวข้องเพือเพลินนั้นถึงการเรื่องสมัยการเจียงจังนั้นถึงทางอาศัยไหได้ไม่เหมือนทำฮะที่งเราฝึกปฏิบัติศึกษามันไม่มีวันนี้เวลาที่จะก่อควาให้เกิดทุกข์อันนั้นเยียวมันก่อหายไปเยียวมันก่อนมีใหม่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเดินทั่งโลกแต่ก็หลงกันเพลินกันอยู่ ในสาวว่าอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยลุงพากันที่นิพิจนาศึกษาต่างหน้าปฏิบัติโอกาสเวลาที่จะได้กระทามมั่งทนของเรามันมีน้อยในสาวว่าจะร่มหายตายไปเหนืออะไร่ทุกคนต่างจิตต่างใจกาหนดที่นิพิจนาําระที่เหลือตัณหาให้ตกในโหลนออกไปใจก็จะมีความสว่างสวัยสงบเยือดเย็น การอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรเวลาเขาจเพียงเศนี้เอง